ไม่ได้มีบริหารใดที่บ่งบอกถึงความร่ำรวยในทางโภคทรัพย์แต่อย่างใดท่านเป็นพระหลวงตาที่จนที่สุดแต่ความเมตตาของท่านยิ่งใหญ่ไพศาลเกินกว่าที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังได้หมดพวกเราลูกศิษย์ไม่ได้ยกย่ององค์หลวงตาเกินเลยไปกว่าความเป็นจริงในการที่ท่านได้ให้ความเมตตาแก่โลกนั้น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 มีใครรู้บ้างไหมว่าในกรณีวิกฤตช่อชนเหล่านี้หลวงตาท่านได้ออกตัวมาปกป้องได้อย่างไรและเหตุใดท่านต้องทำแนวหน้าหลายคนที่เป็นสิทธิของหลวงตาต้องออกโรงทุ่มทั้งกายและกาลังใจทางานกันสุดชีวิตด้วยมือเปล่าด้วยพลังศรัทธาเชื่อมั่นในองค์ท่านภารกิจเพื่อชาตินี้จึงสาเร็จลุล่วงปกป้องสมบัติของชาติได้โดยเรียบร้อย ปัจจุบันนี้ประเทศไทยยังคงมีทองคำและเงินจำนวนมหาศาลอยู่ในคลังหลวงค้ำจุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติสมดังปฏิธานขององค์หลวงตาและคนไทยทั้งชาตินี่คือผลจากการพิจารณาด้วยยานวิถีของหลวงตาที่ห่วงใยใส่ใจต่อทุกสุขของประชาชนชาวไทยทุกเชื้อชาติและาศาสนาเพื่อให้ชาติรอดพ้น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 ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ละชีวิตไม่ได้เกิดมาพบชาติเดียวแล้วหมดสิ้นดับศูนย์ยังจะต้องเวียนว่ายตายและเกิดใหม่อีกเป็นร้อยเป็นพันชาติหากแต่เรามีพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตามหาบัวที่ท่านจะช่วยเหล่าลูกศิษย์ให้เข้าถึงธรรมอันเป็นการย่นพบย่นชาติได้องค์หลวงตาท่านเป็นกลองบุญใบใหญ่ที่ส่งเสียงดังไปถึง3มแดนโลกธาตุเปิดนรกเปิดสวรรค์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 บุญเป็นสิ่งจับต้องไม่ได้เมื่อไรทำก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนเอาไว้ค่อยทำก็แล้วกันแล้วใครจะเปิดประตูสวรรค์ปิดประตูนรกให้เราหรอครับหากปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่คิดจะทำอะไรในเมื่อบุญมากองอยู่ตรงหน้าแล้วเพียงแค่เอื้อมมือไปแต่นิดเดียวเท่านั้นก็จะยนพบยนชาติได้เมื่อใจเป็นมหากุศลและอย่าหาว่าไม่บอกนะครับ เวลาเราเหลือน้อยเต็มทีแล้วริบขวนขวายเขาเถอะและไม่ต้องลำบากใจด้วยในการทำบุญ10 บ, บาท20 บ, บาทก็ได้ตามกำลังตามศรัทธาของท่านจะเป็นอริยทรัพย์ที่ตามติดไปกับท่านทุกภพทุกชาติบทความโดยคุณหลวงเสียงอ่านโดยโจโช